อนันต์ไม่ใช่ชื่อบ้านหากแต่ว่าเป็นชื่อของซอยซอยหนึ่งนะคะบนถนนสุขาพิบาลสองหรือถนนเสรีไทยในปัจจุบันหลายปีมาแล้วค่ะที่บ้านหลังนี้ถูกปล่อยร้างขาดคนดูแลแต่ว่าสภาพภายในก็ไม่ได้เก่าอะไรมากนะักราวกับว่ามีใครบางคนที่จะคอยดูแลรักษาไว้ให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจําของผู้เคยอาศัย จากถนนเซรีไทยลึกเข้าไปในซอยกว่า3กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากบ้านเรือนผู้คนที่อาศัยอยู่นะคะไปอีกประมาณ1กิโลเมตรก็จะมีบ้านทรงไทยหลังหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรั้วรอบขอบชิดที่สูงราว2เมตรแล้วก็ซุกซ่อนตัวห่างจากสายตาของผู้คนด้วยปาการธรรมชาติอันปกกลุ่มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่แล้วก็ดงหญา้ารกร้างค่ะ และยังมีน้ำที่ท่วมขังเกือบถึงหัวเข่านะคะประกอบกับรั้วบ้านยังติดกับบึงที่กว้างใหญ่ทำให้บรรยากาศโดยรอบนั้นชวนวังเวงเป็นอย่างมากยิ่งหากเป็นตอนกลางคืนแล้วด้วยค่ะบริเวณแถบนั้นก็จะมืดมิดไร้แสงสว่างจากไฟฟ้าโดยสิ้นเชิงเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ชวนให้จินตนาการฟุ้งซ่านถึงสิ่งเร้นลับได้ไม่น้อยเลยทีเดียว บ้านหลังนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวบ้านแผวนั้นไม่กล้าเข้าไปกระดกลายแต่ว่ากลับเป็นสถานที่ที่มักจะมีอาคันตุกะที่อยากจะลองของและเวียนมาเยี่ยมอยู่เป็นประจำด้วยเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ามีคนเคยพบเห็นวิญญาณในบ้านก็ยิ่งทำให้นักลองของสมัยเมื่อสิกว่าปีก่อนนะคะอยากมาเห็นแล้วก็อยากมาหาประสบการณ์ค่ะ สำหรับประวัติความเป็นมาแล้วก็ต้นตอของเรื่องวิญญาณในบ้านหลังนี้นะคะก็มีเรื่องเล่ากันมาแบบปากต่อปากว่าเดิมทีบ้านทรงไทยหลังนี้เนี่ยจะเป็นของครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งเรียกว่ามีอันจะกินจนถึงขั้นเป็นเศรษฐีเลยก็ว่าได้ครอบครัวที่อยู่ที่นี่นะคะก็มีสมาชิกด้วยกันหลายคนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นครอบครัวใหญ่ที่แสนจะอบอุ่น แต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปนะคะในคราวที่หญิงชราผู้เป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็เป็นเสาหลักทางใจของครอบครัวได้สิ้นบุญไปค่ะเรื่องราวก็กลับตลปตดแล้วก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้อีกมากมาย ญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านก็เริ่มมีปากมีเสียงกันตกลงกันไม่ได้ในหลายเรื่องค่ะยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วด้วยก็ยิ่งยากไปกันใหญ่เพราะว่าแต่ก่อนตอนที่หญิงชราหัวหน้าครอบครัวยังมีชีวิตอยู่นะคะเธอก็จะเป็นคนที่คอยตัดสินใจในทุกเรื่องแล้วก็ไกลเกลีย่ยหากเกิดมีข้อพิพาทระหว่างคนในครอบครัว ซึ่งหลังจากที่สมาชิกในครอบครัวขาดเริ่มที่จะไม่ลงรอยกันก็ปรากฏว่าคนในบ้านหลังนี้บางคนเนี่ยค่ะก็เริ่มเห็นวิญญาณของคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วออกมาเดินวนเวียนไปทั่วบริเวณบ้านค่ะบางทีก็เห็นตรงสวนหย่อมหลังบ้านบางทีก็เห็นตรงเรือนคนใช้ คนแรกที่เห็นก็เป็นหลานสาววัยรุ่นนะคะเธอเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อแต่ว่าต่อมาคนนั้นก็เริ่มเห็นคนนี้ก็เริ่มเห็นแม้กระทั่งแม่บ้านหรือว่าคนใช้ก็ยังเห็นกันทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะคนในบ้านหลังนี้ก็เลยเชื่อและก็ยังเชื่อกันอีกว่าที่คุณยายออกมาปรากฏร่างให้ลูกหลานเห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านเองยังคงไม่ไปสู่สุคติเพราะว่ายังมีห่วง ห่วงที่เป็นความห่วงใยแล้วก็กังวลใจที่เห็นลูกหลานต้องมาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็มีปากเสียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องค่ะทั้งที่ทุกคนต่างก็มีเชื้อสายเดียวกันผูกพันกันในความเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานนะคะและเมื่อก่อนตอนที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่ก็รักใคร่สมัครสมานสามัคคีกันดีแต่ว่าพอท่านไม่อยู่แล้วเพียงแค่คนเดียวค่ะทุกคนในบ้านกลับมาทะเลาะกันแบบนี้ เมื่อบันดาลลูกหลานคิดได้ดังนั้นแล้วนะคะทุกคนก็เลยเริ่มหันหน้ากลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งเพื่อพูดคุยกันในสิ่งที่ยังค้างคาใจของแต่ละคน แต่ว่าดวงวิญญาณของคุณยายก็ยังไม่จากไปซ้ำยังออกมาให้เห็นกันบ่อยมากขึ้นแม้กระทั่งในเวลากลางวันที่มีแสงตะวันสองจ้าก็ยังคงมีคนเห็นนะคะบางครั้งก็เห็นคุณยายมานั่งท่าทางเศร้าส้อยในศาลาไม้บริเวณสวนหย่อมหลังบ้านค่ะบางครั้งก็มีคนในบ้านเห็นว่าเดินไปมาในยามวิการที่ดึกสงัด และบางครั้งอยู่ๆนะคะหมาที่เลี้ยงไว้ภายในบ้านก็ทั้งเห่าทั้งหอนวิ่งวนเวียนขึ้นชั้นบนชั้นล่างจนไปหยุดเอาที่ภาพวาดขนาดใหญ่เท่าตัวจริงของคุณยายจากนั้นก็ทั้งเห่าทั้งขู่สิ่งเหล่านี้นะคะที่เกิดขึ้นสมาชิกทุกคนในบ้านรู้ดีค่ะและทุกคนก็กลัวมากสุดท้ายพวกเขาก็ทนไม่ไหวจนต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปกันหมด ไม่เพียงเท่านี้นะคะชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นก็ยังเคยเห็นคุณยายออกมานั่งอยู่ริมบึงข้างบ้านเป็นประจำบ้างก็เดินวนเวียนไปมาหน้าประตูบ้านเหมือนมีเรื่องกังวลใจอะไรประมาณนั้นนะคะและที่หนักที่สุดและนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เสียงร่ำลือกเกี่ยวกับบ้านทรงไทยหลังนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปนั่นก็คือเรื่องที่คุณจอยได้ไปเจอมาค่ะ คุณจ่อยบอกว่าวันหนึ่งนะคะซึ่งมาเยี่ยมญาติอยู่ที่บ้านละแวกที่เกิดเรื่องนี่แหละนะคะก็เกิดคลืม อ, อกคลืมใจอยากได้ปลาสักสองสาตัวมาเป็นกับแกลมเพราะว่าเห็นว่าบึงใหญ่ข้างบ้านทรงไทยเนี่ยน้าท่าดีทั้งยังมีตะไคร่น้ำมากมายก็คงคิดว่าปลาน่าจะมีเยอะอนะคะเมื่อคิดได้ดังนี้ค่ะคุณจ่อยเขาก็เลยไปหยิบอาคันเบ็ดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้ในการตกปลาของญาติเขาแล้วก็บอกกับญาติว่าออกไปหากับแกลม ญาติของเขาก็เลยบอกว่าจะไปตกที่ไหนก็ได้แต่ว่าอย่าไปแถวบึงที่ติดกันกันกบบ้านทรงไทยท้ายซอยเป็นอันขาดพอได้ยินแบบนี้นะะี่คะจอยก็เลยถามญาติว่าทําไมต้องห้ามไม่ให้ไปตกปลาบริเวณนั้นญาติของเขาก็บอกไปตรงๆว่าแถวนั้นนี่ยผีดุได้ยินคําอธิบายของญาติจอยถึงกับหัวเราะสะยกใหญ่ในสิ่งที่ตัวเองได้ยินแล้วก็ตอบกลับไปนะคะบอกว่าหุยนี่มันสมัยไหนกันแล้วผีเผอที่ไหนมี ว่าแล้วเขาก็เดินดุ่มๆออกจากบ้านไปค่ะหลังจากขุดหาไส้เดือนที่จะเอามาทําเป็นเหยื่อตกปลาด้าจนเต็มกระป๋องจ่อยเองก็เดินลัดเลาะตามทางเดินริมรั้วของบ้านทรงไทยไปเรื่อยๆนะคะระหว่างทางเขาก็เห็นปลาเล็กปลาน้อยดําผุดดําว่ายอยู่เป็นระยะตลอดเส้นทางแต่ด้วยความที่เขาคิดว่ามันตัวเล็กจนเกินไปนะะี่ะถ้าจะแกงจะทอดก็ คงได้ไม่เท่าไหร่นะักเขาก็เลยตัดสินใจเดินต่อไปอีกนะคะจนกระทั่งเจอกับจุดจุดหนึ่งเข้ามันเป็นจุดที่เขาพอใจค่ะเพราะว่าลำพังแค่หยิบไส้เดือนจากกระป๋องใส่เหยื่อเพียงตัวสองตัวและโยนลงไปในน้ำปลาใหญ่ฝูงหนึ่งก็ตีครีบกระโจนแย่งกันในน้ำจนบึงสรดกระเซ็นเป็นวงกว้างเขาก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นยค ะ, ะพอใจกับสิ่งที่เห็นแล้วก็เลือกที่จะนั่งยองๆห ย, ย่อนเบ็ดลงตรงนั้น ในระหว่างที่จอยกำลังตกปลาอย่างเพลิดเพลินอยู่ริมบึงข้างบ้านทรงไทยในซอยรอดอนันต์นะคะเขาก็เห็นว่ามีคุณยายคนหนึ่งกำลังเดินตรงมาทางเขาท่าทางแกดูเป็นคนมีสง่าราศีะนะเป็นผู้ลากมากดีค่ะผมสั้นทรงยกกระบังเป็นสีขาวโพลนยิ่งทำให้ดูเป็นคนหน้ากเกรงขามจอยมองคุณยายนั้นอยู่ชั่วครู่ด้วยความแปลกใจ บอกแปลกใจที่คุณยายคนนั้นทําไมถึงได้มาเดินอยู่แถวนี้ในช่วงเวลาพระเพลตะวันใกล้ตกดินทั้งที่แถวนี้เนี่ยค่ะก็ไม่ค่อยจะน่าอภพิรมเท่าไหร่นะักจอยมองคุณยายอยู่อีกอึดใจหนึ่งจนกระทั่งได้ยินเสียงน้ำดังกระเซ็นค่ะเขาถึงได้ละสายตาจากคุณยายไปแล้วก็กลับมาดูที่เบ็ดถึงได้รู้นะคะว่าปลาติดเบ็ดของเขาแล้วเขาเด็ดตะขอออกจากปากของปลาที่โชคร้ายตัวนั้น แล้วก็หย่อนมาลงไปในถังน้ำที่เตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะเอามาใส่ปลาโดยเฉพาะพอเขาหันกลับมานะคะก็ถึงกับสะดุ้งสุดตัวจนอุทานเป็นคำหยาบเพราะว่าคุณยายคนนั้นตอนนี้เนี่ยได้มานั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วทั้งที่ยังตกใจอยู่แต่จ่อยก็ไม่เสียมารยาทค่ะเขาก็ยกมือไหว้คุณยายคุณยายก็ยิ้มรับแล้วก็ถามว่าตกได้กี่ตัวแล้ว จอยก็ตอบไปอย่างอ่อนน้อมบอกว่าเพิ่งได้ตัวเดียวครับแล้วก็ยังพูดอีกว่าถ้าได้สักสามตัวก็จะกลับแล้วจากนั้นค่ะคุณยายก็ชวนจอยคุยเรื่องดินฟ้าอากาศสับเพเหระไปเรื่อยจอยเขาก็แอบสังเกตนะคะว่าคุณยายคนนี้เนี่ยมีสีหน้าเศร้าหมองเหมือนมีความทุกข์อยู่ในใจแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะว่ากลัวว่าจะเสียมารยาท คุณยายก็มานั่งเล่นแล้วก็ชวนเขาคุยอยู่อีกสักพักจนฟ้ามืดแกก็เลยขอตัวกลับก่อนก่อนกลับนะคะแกยังพูดอีกว่าปลาพวกนี้น่ากินดีนะถ้าต้มยำคงจะอร่อยเชียวเขาก็ยิ้มรับแล้วก็ถามคุณยายว่าคุณยายบ้านอยู่ที่ไหนแถวนี้หรือเปล่าถ้าก็ทำกับข้าวแล้วเขาจะเอามาฝากคุณยายก็ชี้มือเข้าไปที่บ้านทรงไทยหลังใหญ่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มก่อนเดินจากไปนะคะ จอยหันกลับมามองที่เบ็ดที่ปากไว้ริมบึงอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็นึกขึ้นได้ว่านี่ก็มืดมากแล้วเขาก็เลยคว้าไฟฉายแล้วก็หันขวับเพื่อที่จะบอกคุณยายว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปส่งแต่ว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะเขาเองก็นึกแปลกใจว่าเอ๊ะคุณยายเดินเร็วมากแค่หันหลังไปดูเบ็ดแป๊บเดียวเองหยิบไฟฉายมาหันกลับมาอีกทีอ้าวคุณยายไปแล้ว พอถึงบ้านนะคะจอยก็จัดการขอดเกล็ดปลาเพื่อเตรียมทำต้มยาเขาก็เล่าถึงเรื่องที่เจอคุณยายคนนั้นให้ญาติฟังญาติก็ทำสีหน้างงๆเลค่ะบอกว่ามีด้วยเหรอคนแก่แถวนั้นจ่อยบอกยืนยันบอกว่ามีสิแล้วก็ยังเล่าต่อว่ายายคนนั้นอยู่บ้านทรงไทยริมบึงญาติของเขาหน้าถอดสีทันทีค่ะพร้อมกับบอกว่า บ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่นานแล้วและถ้าคนที่จอยพูดถึงคนนั้นคือคุณยายที่อยู่บ้านทรงไทยริมบึงแล้วล่ะก็คุณยายคนนั้นก็นเสียไปนานมากแล้วจอยนิ่งไปชั่วครู่ค่ะหน้าก็เริ่มเจือนแล้วก็ตัวเริ่มร้อนเหมือนคนที่กําลังจะจับไข้ขนลุกไปทั้งตัวจนญาติต้องเอาพระเครื่องที่แขวนอยู่บนหิ้งพระมาคล้องคอให้อาการจอยถึงเริ่มดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนพบเห็นวิญ ญ, ญาณของคุณยายบ่อยมากขึ้น ยิ่งถ้าถึงเวลาใกล้ค่ำที่เรียกกันว่าเป็นเวลาผีตากพระอ้อมแล้วล่ะก็ยิ่งมีคนเห็นบ่อยค่ะความเชื่อของคนโบราณเนี่ยบอกว่าช่วงเวลาผีตากพระอ้อมก็คือเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างโลกมนุษย์แล้วก็โลกวิญญาณบ้านทรงไทยหลังนี้ก็เริ่มเล่าลือกันไปจนเป็นที่รู้จักในบรรดาวงการคนที่ชอบเรื่องลี้ลับในยุคนั้น แม้ว่าปัจจุบันนี้จะเป็นปี 2,561 แล้วจะไม่มีบ้านทรงไทยหลังนี้แล้วก็ตามแต่ว่าตำนานเกี่ยวกับความน่ากลัวค่ะก็ยังคงถูกเล่าสืบต่อกันมาในฐานะตำนานบ้านผีสิงซึ่งครั้งหนึ่งนะคะก็เคยเป็นสถานที่ที่มีนักลองของในสมัยนั้นประมาณปี 2,537 นะคะถึง 2,547 และเวียนกันมาไม่ขาดสายเพื่อพิสูจน์เรื่องเล่าแล้วก็ความน่ากลัวที่เกิดขึ้นในบ้านหลัง บ้านทรงไทยในซอยรอดอนันต์นั่นเองค่ะ พูดถึงเรื่องของความน่ากลัวนะคะหรือว่าเรื่องของวิญญาณในบ้านร้างหรือว่าจะเป็นบ้านทรงไทยที่เรากล่าวกันไปเมื่อสักครู่ไม่เพียงแค่ในบ้านเท่านั้นนะคะนอกจากนี้บนถนนหนทางก็ยังเป็นที่สิ่งสถิตของสัมภเวสีหรือว่าเรื่องราวความน่ากลัวที่ถูกเล่าปากต่อปากไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือว่าปัจจุบันนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องโค้งร้อยศพที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะหากว่าพูดถึงจังหวัดนี้ความ คิดแว บ, บแรกของคนหลายๆคนนะคะคงจะคิดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอยอินทนนท์พระาธาตุดอยสุเทพหรือที่กินที่ซื้ออย่างถนนคนเดินถนนวัวลายรวมทั้งจินตนาการไปถึงอากาศที่เย็นสบายในหน้าร้อนแล้วก็หนาวสะท้านในเหมันฤดูค่ะทั้งยังมีวัดวาอารามเรียงรายเป็นสายทานแห่งธรรมเรียกได้ว่าจังหวัดนี้เป็นอู่อาระยะธรรมแห่งล้านานา แต่นอกจากเอกลักษณ์แล้วก็ความโดดเด่นที่ว่ามาแล้วจะมีอีกสักกี่คนมากน้อยจะรู้นะคะว่าห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ออกไปไม่กี่กิโลเมตรจะมีสถานที่1นึงซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันค่ะสำหรับสถานที่ที่ว่านี้นะคะก็คือโค้งเหมืองผาค่ะ โค้งเมืองผาหรือที่ชาวบ้านย่านนั้นรู้จักกันในชื่อว่าโค้งปากท่อหน้าทางเข้าหมู่บ้านแก้วสาถนนโชตนานะคะตําบลริมเหนืออําเภอแม่ริมเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเป็นอันดับต้นๆในจังหวัดเชียงใหม่นะคะด้วยความที่มีลักษณะของถนนบริเวณที่เป็นจุดโคง้งค่อนข้างสุ่มเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุตามธรรมชาติในตัวอยู่แล้วเพราะว่าถนนตรงนั้นไม่มีราวเหล็กกั้นข้างริมถนน อีกทั้งไม่มีเกาะกลางถนนแบ่งเลนการจราจรค่ะแล้วก็รถที่ผ่านบริเวณนั้นก็มักจะใช้ความเร็วสูงรวมทั้งบริเวณที่มักเกิดอุบัติเหตุนั้นก็เป็นทางแยกเข้าหมู่บ้านแก้วสาแล้วก็หมู่บ้านเหมืองผาค่ะด้วยลักษณะเหล่านี้ก็เลยทำให้โค้งเหมืองผ่าได้รับการขนานนามว่าเป็นโค้งร้อยศพนะคะ เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2555ประมาณก่อน8โมงครึ่งเพียงเล็กน้อยนะคะเกิดอุบัติเหตุรถชนประสานงากัน4คันรวดตรงโค้งเหมืองผ่าในเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต1รายค่ะส่วนผู้บาดเจ็บนี่ก็บาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียวชาวบ้านเชื่อนะคะว่าอุบัติเหตุสยดสยองคราวนี้เข้าตำราโคง100้งร้อยศพเหตุที่พวกเขาเชื่อกันเช่นนี้ก็เพราะว่าบริเวณโค้งนี้รถชนกันบ่อยแล้วก็เกือบทุกครั้ง ต้องมีคนตายอย่างนี้คงเป็นอื่นไปไม่ได้นอกเสีย จ, จากว่ามีวิญญาณผีตายหงแห่งโค้งเหมืองผ่านะคะอุบัติเหตุครั้งนั้นเกิดจากรถทัวร์นักท่องเที่ยวไต้หวันค่ะชนกับรถตู้รับส่งนักเรียนเข้าเต็มเหนียวจากนั้นเสียหลักลอยข้ามฝั่งไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งสวนมาอย่างจางังจนเสียหลักเข้าไปชนบ้านของชาวบ้านเสียหายอย่างหนักมอเตอร์ไซค์ตามมาหลังรถทัวร์มองไม่เห็นค่ะก็เลยชนเข้ากับท้ายรถอีกทีนึง นอกจากนี้แล้วอุบัติเหตุประสานงามหาสลดวันที่6กุมภาพันธ์2555ก็ยังมีประเด็นการตั้งข้อสังเกตและก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากของคนในชุมชนละแวกนั้นเพราะว่าดูจากรูประการแล้วนะคะกลุ่มชาวบ้านคิดว่าไม่น่าจะมีอุบัติเหตุหลายทอดอย่างนี้ไปได้ ย้อนหลังกลับไปถึงสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านคิดว่าเป็นเพราะว่าวิญญาณเฮี้ยนของผีร้ายที่สิงสู่อยู่ตรงแยกนี้เที่ยวกลั่นแกล้งให้คนที่ผ่านโค้งได้รับอุบัติเหตุโดยเรื่องมีอยู่นะคะว่าหากใครก็ตามที่ต้องผ่านโค้งนี้ตอนกลางคืนก็มักจะต้องเจอกับเหตุการณ์แปลกๆชวนหลอนให้ขนหัวลุกหลายคนนะคะได้ยินเสียงคนเรียกพอหันไปมองก็ไม่เห็นใคร แต่พอหันกลับมาก็เกือบเกือบเกิดอุบัติเหตุอย่างหุดหวิดนะคะส่วนคนแถวนั้นก็มักจะได้ยินเสียงแปลกประหลาดในตอนกลางคืนอยู่บ่อ ย, บ, อยบางทีก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้คร่ำครวญบ้างก็เป็นการสะอึกสะอื้นค่ะบางวันนะคะวันดีคืนดีชาวบ้านละแวกนั้นก็เห็นการปรากฏตัวของผู้คนปริศนาหนักข้อเข้าก็มายืนโบกรถโบกราทําให้คนแถวนั้นเนี่ยหวาดภาวาอย่างหนักไม่ยอมออกไปไหนตอนกลางคืนเป็นอันขาดถ้าไม่จําเป็น นานคมค่ะโชเฟอร์รถบรรทุกที่ต้องผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำก็เล่านะคะว่ามีอยู่คืนหนึ่งเขาต้องไปส่งสินค้าเลยต้องใช้เส้นทางนั้น เขาออกจากตัวเมืองราวเที่ยงคืนเห็นจะได้ก็ขับรถมาเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบอะไรพอใกล้จะถึงโค้งนั้นก็ปรากฏค่าว่าเขาเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนโบกรถอยู่ข้างทางพลางสูบบุหรี่จนควันขมงทีแรกก็ระแวงนะฮะว่ากลัวจะเป็นพวกมิจฉาชีพก็เลยถามเพื่อนที่นั่งข้างๆด้วยกันว่าจะจอดรับดีหรือเปล่าเพื่อนก็เลยบอกว่าอ่ะลองจอดถามดูคงไม่เป็นไรเขาอาจจะตกรถ ก็เลยขอโบอกรถติดรถไปด้วยอาจจะไปลงอีกอำเภอหนึ่งก็ได้อีกอย่างหนึ่งเราก็มากันสองคนก็คงไม่น่ากลัวหรอกถ้าเป็นโจร น, น้ำคมกระพริบไฟเลี้ยวด้านซ้ายแล้วก็ค่อยๆชะลอจอดเทียบข้างทางเพื่อนคู่หูของเขาลดกระจกหน้าต่างลงแล้วก็ชะงงกหน้าออกไปเพื่อที่จะถามค่ะว่าจะไปไหนแต่ปรากฏว่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแล้ว เพื่อนของนามคมก็เลยเปิดประตูแล้วก็ก้าวลงจากรถเพื่อไปดูให้แน่ใจว่าคนโบกรถคนนั้นหายไปไหนกันแน่คู่หูของนามคมค่ะมองซ้ายทีขวาทีไม่เห็นมีใครแล้ว แต่แล้วอยู่ๆค่ะก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังกึกก้องกัมปนาดเหมือนเสียงรถชนกันทั้งที่มีรถบรรทุกของเขาจอดกระพริบไฟอยู่คันเดียว mm. เขามองซ้าย mm. มองขวาอีกครั้งแล้วก็สัมผัสได้ทันทีว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ชอบมาพากลแล้ว mm. เขาก็เลยรีบกลับขึ้นรถปิดประตูหมุนกระจกขึ้นอย่างรีบร้อนนั้นคมเห็นเพื่อนมีท่าทีแปลกๆแบบนี้ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคนโบกรถละหายไปไหน คู่หูของเขาไม่ได้ตอบอะไรค่ะได้แต่บอกว่าให้หนานคมออกรถไปเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังระหว่างทางพอหนานคมนียคะขับรถออกมาจากโค้งนั้นได้สักพักหนึ่งเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าพอได้ยินเสียงดังโครมใหญ่เขาก็มองซ้ายมองขวาหาดูว่ามันเป็นเสียงอะไรและมาจากไหนจนสายตาไปจับออกกับภาพภาพหนึ่งภาพนั้นก็คือ ผู้ชายคนหนึ่งยืนห้อยหัวลงมาจากต้นไม้ข้างถนนมองลงมาที่เขาที่กำลังมองหาผู้ชายที่ยืนโบกรถอยู่พร้อมกับแสยะยิ้มปากกว้างฉีกถึงรูหูเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายคนเดียวกันที่มายืนโบกรถของพวกเขาเมื่อสักรู่ หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นผ่านไปทุกครั้งที่หนามคมกับคู่หูต้องผ่านโค้งนี้พวกเขามักจะบีบแปรเป็น2จังหวะถึงสครั้งเพื่อเป็นการบอกดวงวิญ ญ, ญาณที่สิงสถิตยอยู่บริเวณโคง้งนั้นว่าพวกเขาขอผ่านทางและก็ถือว่าเป็นการขอขมาไปในตัวด้วยนะคะเรื่องราวโค้งร้อยศพแห่งนี้ค่ะเป็นที่ร่ำลือไปทั่วไม่เฉพาะในตัวเมืองเชียงใหม่เท่านั้นค่ะหรือว่าชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังปรากฏว่าเป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เป็นประจำถึงอุบัติเหตุรถแหกโค้งจนแล้วจนรอดค่ะชาวบ้านก็เลยได้ประชุมกันลงความเห็นกันว่าต้องทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณแล้วล่ะ ฉนั้นนะคะในวันที่6สิงหาคม2554ค่ะก็เลยมีการนิมนต์เกจิชื่อดังแห่งล้านนานะคะชื่อว่าครูบาน้อยเตชะปัญโยหรือพระครูศิริศีลสังบอนแล้วก็คาราวาตจอมขมังเวทอาจารย์สถาพรผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมแล้วก็ศิลศาสตร์มาเป็นเจ้าพิธีนะคะ ก่อนเริ่มพิธีค่ะอาจารย์สถาพรก็ได้นั่งทางในเพ่งกระแสจิตไปยังจุดเกิดเหตุแลวก็พบนะคะว่ายังมีวิ ญ, ญญาณอีกหลายดวงที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดจากนั้นค่ะท่านทั้งสองก็ได้ทำพิธีสูดถอนวิญญาณออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็แผ่เมตตาให้ด้วยนะคะ สำหรับพิธีสูดถอนวิญญาณนั้นทำขึ้นเพื่อไม่ให้มีตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นอีกซึ่งหลายปีที่ผ่านมาได้พรากลมหายใจของผู้สัญจรไปแล้วเป็นจำนวนมากความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณที่ตายแล้วด้วยลักษณะนี้นะคะ พวกเขาเหล่านั้นก็เป็นวิญญาณตายโหงที่ตายแบบไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อตัวตายแต่ว่าจิตยังคงติดค้างอยู่ณจุดที่ตายหากญาติพี่น้องจะประกอบพิธีศพให้กับเขาสิ่งแรกที่จะต้องทําก่อนอื่นก็คือพิธีเชิญวิญญาณกลับบ้านไม่เช่นนั้นวิญญาณนั้นก็จะกลายเป็นผีเฝ้าจุดเกิดเหตุรอตัวตายตัวแทนทําให้ผู้ที่ผ่านไปมาต้องได้รับความเดือดร้อนนะคะในกรณีของโค้งร้อยศพเหมืองผามีผู้รู้เกี่ยว ท, ท่านหนึ่งค่ะท่านกล่าวไว้ว่าญาติญาติของผู้เสียชีวิตโค้งนี้ไม่ได้ทำพิธีเรียกวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณผีตายโหงก็เลยยังคงอยู่ที่โคง้งสอดคล้องกับญานทิพย์ของอาจารย์สถาพรที่เห็นวิญญาณพวกนั้นกระนั้นก็ตามนะคะแม้ว่าจะทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณไปแล้วแต่ว่ายังคงเกิดเหตุการณ์ ที่น่าสลดขึ้นอีกก็คือวันที่6กุมภาพันธ์2555นั่นเองค่ะนั่นก็แสดงว่าวิญญาณที่สีงสถิตยอยู่โค้งนี้เฮี้ยนจนไม่ยอมไปเกิดหากใครที่จำเป็นต้องผ่านแถวนั้นก็ควรระวังสักน้อยนะคะอย่างน้อยก็จะได้ไม่ต้องเป็นรายต่อไปและที่สำคัญขับรถนะคะห้ามประมาทด้วยค่ะ